เรื่องผ้าปิดกันน้ำมันไหลเยิม้มน้ำมันไหลเยิม้มภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าเก่าสำหรับซับน้ำมันรักษาแผลทุกชนิด